สถุมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนาทายาติสละเนศาหาต่างใจสมาธานศิท์วันนี้เป็นวันขึ้น8ปดข้ำเดือนสแต่มันเป็นเดือนสี่นะคณธทธาญาติโยมพราะปีนี้เป็น8ปดสองหนแต่ไม่จริงวัน เดือนสามเพนที่ผ่านมาเป็นวันมาฆะแต่นี่ปีนี้เป็นแปดสองหนก็เป็นเดือนสี่เพนสี่เพนโบราณเป็นวันมาฆบูชาเพราะเป็นแปดสองหนอย่างที่ว่าเพราะนั้นวันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสี่แล้วก็วันคราวหน้าเนี่ย วันที่สี่ที่จะถึงเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้ากุมภาแล้วก็วันที่สี่มีนาเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสาคัญในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันทาบุญรวมญาติของพวกเราเนะวันที่วันที่สี่แล้วก็ให้เตรียมพร้อมวันนี้เป็นวัน ขึ้นแปด่ําแล้วก็ให้พวกเราสมาทานศีลห้าถาใครจะรักษาศีลห้าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันมาค้าบูชาก็จะเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพวกเราทุกท่านเหมือนกันนะศีลเนี่ยรักษาได้ามากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นเป็นบุญเป็นกุศลเพราะพวกเราปล่อยปละละเลย ชีวิตทั้งชีวิตของพวกเรามานานเท่านานแต่ควรจะขันเข้าหาสู่หลักเข้าหาหันหน้าเข้าหาสู่หลักศีลหลักธรรมชั่วอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคงจะไม่หนักหนากำะมังนะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะเตรียมพร้อม แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติพี่น้องผู้เรียดทำปุอุทิศสวนกุศลให้กับบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายวันที่สมที่สี่เนี่ยขอให้พวกเราไหว้พระทุกวันจุดทูปเทียนจุดทูปบอกกล่าวตั้งกิจอธิษฐานถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายาย องศาคณะญาติญาติมิตรสหายเทพเจ้าเราเทว า, าไม่เตรียมพร้อมไม่แตะนเนินเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ใจปูปับถึงวันระยมาออธิษฐานถึงท่านบางทีท่านอาจไปอยู่ที่ไหนท่านอาจจะมาไม่ถึงอะไรเหมือนกับเราไปทํางานทําการอยู่ทางเอที่อื่นอยากพี่น้องเรียกมาเร็วๆเยคงจะมาไม่ทันเพราะนั้นพวกเรา ต้องเรียกไว้เต um ็น <c oughs> ja, ่เนิ่นเหมือนกันนะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนานิพุติงยันติตัตมาสีหลังวิโสทายสาธุวันนี้เป็นวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558 ที่พวกหลวงพ่อเองได้ปรพยพยัรบกับคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานว่าจะทําบุญรวมญาติอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณของวัดสวดมนต์เย็นวันที่สตอนเย็นสวดพระปริตะมงคลวันที่สี่เป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็เป็นวันมาค้าบูชาด้วยวันที่สี่ แล้วก็วันที่สตอนเย็นก็คงจะมีการเวียนเทียนประทักศินเหมือนกับกับทุกปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ที่แปลกแตกต่างก็คือพวกเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลทำบุญรวมญาติรวมทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะเพราะนั้นเรื่องการทำบุญ ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านมาให้ตั้งอยู่ในความประมาทในชีวิตของพวกเราพวกเราเกิดมาทั้งที่ชีวิตควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเร า, เาท่านไม่ให้อยู่แบบไม่ได้คิดอนาคตมาให้ดูอนาคตไม่ให้คิดอนาคต เ, าเราต้องมองไป ให้ไกลอนาคตของเรามืนมันจะไปยังไงอดีตที่ผ่านมาคือคือบทเรียนปัจจุบันจะมีคุณค่ามากในปัจจุบันคือเราตั้งหลักยังไงแต่อนาคตอให้มองดูก็คล้ายๆมัมองอนาคตเราเปรียบเทียบคนอื่นเขาพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เป็นอนดีตที่ผ่านมา เป็นยังไงและเราจะเดินวางแผนอนาคตของเราอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนมีหลวงพ่อเองเป็นแต่เพียงกาวเตือนให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเท่านั้นเองแต่พวกเราจะเดินหรือไม่เดินอย่างไรพวกเราจะคิดหรือไม่คิดอย่างไรอันนั้นเป็นหน้าที่เป็นสิทธิ์ของพวกเราที่จะต้องคิดหรือไม่คิดแต่ว่า เมื่อฟังไปแล้วก็นำมากันกลองไตรตรองเหตุและผลมีเหตุผลมากน้อยไหมแค่ไหนไหมที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเนี่ยถ้าพวกเราได้ฟังแล้วก็เออเอามีเหตุผลจากนั้นเราก็จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสามเดือนสี่วันพระนานี่ก็เป็นวัน มาคบูชาอย่างที่ว่านัน่นการที่พวกเราได้มาพบมาอายุมาถึงปูดนีแล้วก็นับว่าเป็นผู้โชคดีถ้าเปรียบเทียบในหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชตตะวันมหาวิหาร ท่านปารพาุพ่อค้าพ่อค้าผู้มีสมบัติมากนะพ่อค้าผู้มีสมบัติเพิ่คือเป็นคนรวยแล้วก็เป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้ามาจากกรุงพาราณสีแปลว่าผ้าแปลว่าผ้ากายสีนี่แปลว่าเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคสมัยนั้นราคาผืนละแสนก็ยังมี ราคาผ้ากายสีทุกวันนี้ก็ยังเขาก็ยังนิยมกันอยู่นะฝีมือผ้ากายสีกายสีก็คือเมืองพารานสีนั่นแต่นี้เศรษฐีเป็นเมืองใหญ่นะเมืองพารณสีเป็นเมืองที่ล่ํารวยที่นี่ก็มีพ่อค้าคนหนึ่งเขาก่อเตรียมสินค้าที่มาจากกรุงพารณสีห้ากวียนห้าร้อยเล่มก็ แสดงว่าเป็นเศรษฐีเนี่ยจะเวียนถึงห้าร้อยเล่มถึงขนาดนั้นนะแต่นั้นเขาก็ขนบรรทุกทัพผสมปาระโดยมากเป็นผ้าทั้งหมดที่มาจากกรุงพาราณสีพอมาถึงกรุงสาวัตถเีเขาจะขายเข้าไปขายในเมืองอกรุงสาวัตถีแต่ถ้าเขาก็มาเจอน้ำน้ากาลังนอง ฝนตกข้างบนภูเขาน้ำก็ไหลมาน้ำนองเกวียนก็ข้ามคลองไม่ได้ก็เลยพักทับก็เลยหาที่ทำเลพักทับอพอพักทับเสร็จแล้วก็น้ำก็มันไม่ลดง่ายเลยน้ำก็เจิ่งอยู่ตลอดทั้งคนในเมืองของเขาก็เล่นนั ก, กษัตสัดสนุกสนานาคงจะมีงานเทศกาลของเขาเขากไ็ไม่ได้มา ซื้อเสือ้อซื้อเสื้อผ้าพราะข้ามมาก็ข้ามลําบากพอในที่สุดพอข้ามคนนี้ก็เลยคิดเอามือกายหน้าผากคิดในใจนะอ็เรามาถึงจุดนี้แล้วนะเนีราตั้งทับตั้งทับเกวียนแล้วก็เราก็ตั้งทับแบบแน่นหนามันคงพอสมควรอถ้าเราจะไปอีกก็คงจะ กำลังฝนพักของเราคงจะเหนื่อยเอาเถอะเราคงจะพักอยู่ที่นี่แหละในปีนี้แหละคงจะขายให้จบทั้งฝนทั้งหนาวทั้งแรงคิดว่าน่าจะหมดเราจะอยู่ที่นี่ทั้งสามฤดูจะอยู่ทั้งสามฤดูคือฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อน เราจะอยู่ที่ทั้งสามระดูขายเสร็จแล้วถึงเ ร, เราจะกลับเลยเราตั้งจะคงจะตั้งทับอยู่ที่นี่แหละข่าวนี้แต่นนี่คือพ่อค้าหัวหน้าเศรษฐีพ่อค้าที่มีทรัพย์มากจะไม่ถึงกับเศรษฐีท่านก็มือกายหน้าผากคิดเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารท่านเห็นอุปนิสัยของพ่อค้าคนนี้น่ย ที่ท่า น, า น, น, นคิดอยู่ในกลุ่มที่พักพลของท่านพระพุทธเจ้าบอกพอค้าคนนี้เขาไม่ได้คิดถึงอนาคตชีวิตของเขาจะได้จะอยู่ได้เพียงเจ็ดวันจากนี้ไปท่านมองเห็นจากนั้นท่านก็พอุ่งนี้เช้าแต่เขาก็มีอุปนิสัยนะ จากนั้นพระองค์ก็ไปบินทบาทไปบินทบาทกับพระอานนท์พอเดินบินทบาทผ่านไปที่พักผลของพ่อค้าผ่านพระองค์ก็ยิ้มแย้มพระโอษฐ์ว่าไหว้พระพุทองค์แย้มพระโอษฐ์ไปว่ามีเรื่อง่ะมีเรื่องที่จะต้องได้โทษบางอย่างพระอานนท์ก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า พราะพระไเจ้าค้าพราะพระพองค์แย้งพระโอดด้วยเหตุอันใด ห, หนอไปเจ้าค้านเพราะพระพองค์บอกว่าเห็นไหมพระอานอนท์พ่อค้าที่เป็นหัวหน้าเอกวียนทั้งหาร้อยเล่มเนะี่ยที่เขาพักทับอยู่ที่นี่เนะี่ยเขาจะอยู่เมื่อคืนเขาคิดจะอยู่ทั้งเอทั้งฝนทั้งหนาวทั้งแรงจะอยู่ตลอดปีเลยเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อจะขายสิ่งของให้หมดให้ให้หมดอยู่ในที่นี่ แต่ชีวิตของเขาไม่นานนะอานน์จากนี้ไปเจ็ดวันชีวิตของเขาเออเขามีชีวิตอยู่เพียงแค่นั้น อ, อพระอาโนนบอกโอ้ท่าอย่างนั้นข้าพระองค์จะไปบอกเขาพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเธอคุ้นเคยกับเขาก็ไม่ว่าแต่ทําไม่ถ้าคุ้นเคยกับเขาก็ควรจะไปบอกเขาทําไม่คุ้นเคยแล้วก็สุดแท้แต่อานน์นพระอานน์ก็พระเจ้าขา่าะ พระอนุลก็ไปบอกกับพ่อค้าคนนั้นบอกเออโยมพระพรทองค์ท่านตรัสบอกไว้ว่าชีวิตของโยมน่ยจะอยู่ไม่ได้นานนะโยมจะอยู่ที่นี่สามเดือน อ, อ, ยอยู่ถึงสามฤดูใช่ไหมใช่ครับท่านตั้งใจว่าอย่งงางนั้นครับท่านพระอา น, นุลท่านอานนา์แต่พระองค์บอกว่าอย่า ง, งานั้นโอ้ท่าอย่างนั้นผมคงจะทําบุญ จากนั้นเขาก็ตั้งทัพขึ้นมานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์มาทําบุญทําบุญตักบาตทาถวายพระทหารพระสงฆ์พอทําบุญเจ็ดวันอตอนเช้ามาเจ็ดวันทําบุญเจ็ดวันเลยจากนั้นพระองค์ก็แสดงทำให้ฟังเขาก็ได้สําเร็จพระโส ด, ดาบันนี่แหละอันนี้ก็คือมีอุปนิสัยพอพูดพอพระอานุ์พูดเท่านั้นเองก็เกิดความ อจะเทือนใจใคล้ายๆว่าคนกลุ่มเดียวกันนะพูดง่ายๆผู้ที่จะฟังกันได้ถ้าหากว่าคนที่ไม่ยอมฟังกันนะก็คงจะโอ้สมณะรมณ์คงจะจะให้ขู่ความตายมาให้เราคงจะจะอจ ะ, จะแจ้งอยากจะได้ลาภไชยยศอยากจะได้ให้เราไปทําบุญกัมมังคงจะคิดอย่างนั้นะแต่คนไม่เคารพนับถือเที่งยงใสนะแต่คนที่เคยเป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นพักเป็นพวกเคยสงเคราะห์อนุเคราะห์กันมาในอดีตชาติพอฟังเข้าไปออฟังสะดุดเราก็ไม่ควรจะตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะจริงถึงจะจริงจริงหรือเท็จยังไงออก็เจ็ดวันก็ไม่เห็นจะยาวนานเท่าไหรออ่พอคาคนนั้นก่อนสมบัติเราก็มีอยู่แล้วก็พร้อมที่จะทาบุญออถวายพัฒหารพระสงฆ์ก็ไม่เห็นจะหนักหนาที่ตรงไหนออจากนั้นเขาก็ทำบุญ ด้วยความเต็มใจจากนั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกเขาได้สําเร็จพระโสดาบันพระรงองค์ก็ส่งเขาส่งเขาขึ้นฝั่งในระดับหนึ่งจากนั้นเขาทําบุญเสร็จแล้วเต็ฟังพร ะ, พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วนะพอจบได้เจ็ดวันเขาก็พักผ่อนตอนหัวค่า เขาก็ปวดศีรษะขึ้นมาอย่างแรงนะอพอปวดศีรษะขึ้นมาเขาก็ได้มรณะภาพลงไปเขาก็ไปสู่สวรรค์เขึ้นไปอยู่สวรรค์เนี่แหละอันนี้ก็คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าและท่านมองมองดูท่านไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทแต่พ่อค้าคนนั้นเขาจะอยู่เป็นปีเพื่อทํามาค้าขายแต่พระพุทธเจ้าเขาอยู่ไม่นาน ออยู่ได้เจ็ดวันะสรุปแล้วก็อย่างหลวงพ่อเคยพูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยอไม่นานนะลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมนะพวกเราจะตายในภายในเจ็ดวันนะอหลวงพ่อบอกเอา้าหลวงพ่อพูดอะไรทําไมจึงตายเจ็ดวันอา้อาวอพวกเราไม่ไม่เกินเท็ดจันทร์อังคารพุธพลรหัสสุกเสานะ มันเจ็ดวันไม่ใช่หรอะะเราพกตายอยู่ในเจ็ดวันนี่แหละเออวันวันอื่นอีกเออจะเรียกวันอะไรเกินจากพระทิตยพระจันไปแล้ววันดาวใช่ไหมไม่ใช่มันมันวันที่แปดจะเป็นวันดาวใชมีแต่วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เพราะนั้นพวกเราในกระห้องจะตายในวันทั่วเจ็ดเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท เราจะทายัางไงหลวงพ่ อ, อ, อก็ทำตั้งอยู่ในความประมาณ ค, คือสังสมคุณงามความดีแนหะสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดนะแต่สิ่งที่มันที่คนอื่นทำล่ะถ้าคนอื่นทำที่มันไม่ดีเราก็พิจรนารณาดูแล้ว ม, มันไม่ดีใช่ไหมล่ะ เ, เหมือนกับเราเป็นปันเล็งในขาของเรานะถึงจะรักขนาดไหนเราก็จงตัดทิ้งอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดนะ อย่างตาของเราก็เหมือนกันถ้าตาของเราเป็นโรคต่อหินมันจะบอดมันปวดเนะ่มันจำเป็นจะต้องได้ควักทิ้งมันก็จะจำเป็นจะควักทิ้งเพออะรเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดโทษเนะี่ยนี่ก็เหมือนกันนะสิ่งไหนก็ตามที่เออมันเกิดโทษเราจะไปเก็บไว้ไม่ได้แต่ข้อสำคัญให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ใช่ว่าตาของเรา มันพอจะใช้งานการงะได้อยู่เออกรหาโทษมันจนควักออกอย่างแผลในขาของเรามันก็ไม่ใช่มะเร็งที่จะเราจะผ่าตัดเออย็บแผลไหลได้มันจะหายได้อยู่ออกรหาเรื่องตัดขาทิ้งอันนั้นมันก็ไม่ดีไม่ถูกต้องออนี้คงเหมือนกันนะการบริหารจัดการประเทศชาติบ้านเมืองวงศาคณาิวัดปาศาสนาอันไหนก็ตามเนะ่ย ถ้ามันไม่ดีจะทำยังไงถ้ามันไม่ดีเราก็ต้องจัดการออกนีเก็บไว้ทาไมเพราะมันไม่ดีแต่ว่าต้องคิดให้รอบคอบนะคิดหลายตลบคิดดูให้ดีจนหาชิ้นดีไม่ได้เหมือนกับเป็นมะเร็งถ้าเอาไว้มันจะมันขึ้นมาขาโคลนขาของเราทำให้เราตายได้นี้ก็เหมือนกันสิ่งไหนก็ตามจะเป็นเกี่ยวกับประเทศชาติเกี่ยวกับโลกก็ตาม ถ้าว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับโลกอย่างโลกอย่างมากมายเป็นพิษเป็นภัยต่อประเทศชาติอย่างมากมายหรือเป็นประพิษเป็นพิษเป็นภัยต่อจังหวัดต่อวัดวาศาสนาต่อกลุ่มของเราแต่ตัวของเราเองอย่างที่ว่าเราเป็นมะเร็งที่ขาเนี่ยของเราเราจะไว้มันก็เป็นพิษเป็นภัยถึงตายได้ถ้าเราเอาเชื้อมันไว้พราะนั้นเราก็ต้องตัดทิ้ง เ อ, อถึงจะรักขนาดไหนก็จําเป็นเมื่อได้คิดได้พิจารณาการกรองไตรตรองดูเหตุและผลแล้วเนี่ยถ้าว่ามันชั่วเราก็ทํางั้นทำมันดีทํำยังไง อ, อในตัวของเราอย่างที่พ่อค้าคนนั้น่ะ พ, พระพุทธเจ้าท่านสอนะ อ, อท่านจะตั้งอยู่ในความประมาทนะชีวิตเป็นของไม่ยาวนานนะ เ, เจ็ดวันพ่อค้าคนนั้นเขาก็ ตั้งใจ เ, เขากค ง, งจะไม่ตนกตกใจเพราเขาคงคิดไว้แล้วนะชีวิตของคนเราเกิดตายอยู่แล้ว เ, เขาก็คงจะคิดเอามันมาท่าไหนก็ข่าจะต้องประกอบคุณงามความดีละข่าวเนี่ยหนีไม่พ้นละนี่แหละอันนั้นคือปราดคือปราดขึ้นเป็นผู้มีแนวความคิดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่สะทกไม่สะทานไม่วันไหว เพราะนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่หลวงพ่อบอกกล่าวเตือนเช้าตือนเย็นเนีพวกเราต้องคิดไว้ในใจไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเอออย่างที่หลวงพ่อได้พูดมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่เอาเข้าจริงๆก็อย่างว่านะความจริงกับความอาคําพูดมันต่างกันนะเออมันต่างกันเออย่างที่หลวงพ่อบอกนะเออเอ า, เอา ยังไงเกิดแก่เจ็บตายจะหลวงพ่อพูดแต่พอมาเจอเข้ากับตัวเองจริงๆโอ้ไม่ใช่ธรรมดาใอา้มันคงจะรักษณะนั้นเพราะนั้นเราต้องเตรียมไว้พอสมควรให้แน่นหนามั่นคงพอสมควรเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องที่สถานหวั่นไหวอ ย, อย่างลึกดๆอย่างมากๆทีเดียวเลยเแต่ถึงยังไงมันต้อง ไปถึงจุดนั้นแน่แน่ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ถึงยังไงกขขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณะสัตายาญาณโยมทุกลูกหลานทุกคนสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแต่ถึงยังไงถึงจะสะท้านหวั่นไหวขนาดไหนก็เถอะเพราะพวกเราอย่างไม่หมดกิเลสนี่เวทนาทุกเวทนามันเกิดขึ้นจะทำยังไงได้ พอมันเจ็บมันปวดจริงๆ อ, อมันแยกกันไม่ออก อ, อถึงอย่างไรมันก็ต้องถึงจุดจบของชีวิตเมื่อจุดจบกนะ็เถอะนะอ่าถ้าว่าเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นโทษเห็นทุกข์จริงๆเราก็ไม่มาเวียนไห้ตายเกิดนั่นหละเป็นโมร ม, มัตสุขในหลักของพระพุทธศาสนาแต่ถว่าพวกเรายัง ตัดมันยังไม่ขาดนะเกิดมาพบน้าชาตาก็เกิดแกเจ็บตายอีกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเกิดมาพบนิชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาจการทําสิ่งไหนก็ตามอ้าวใช่ชีวิตของพวกเรามันก็ต้องมีแหละเกิดมีอยู่มีกินมีใช้มีซอยมีการทํามาหาเลี้ยงชีพ แต่ถึงยังไงก็ตามนะแต่ถึงยังไงคุณงามความดีของพวกเราเนี่ยต้องพยายามทำให้สม่าเสม อ, อการทำคุณงามความดีบางคนโอ้หลวงพ่อมีแต่แนะํนำให้เสียสละในการทานไม่ใช่เราให้ภาวนาหลักที่จะให้ภาวนาทำจิตใจให้สงบวันช่วงไหนเวลาไหนว่างๆเราก็รนั่งภาวนา เดินจงกรมไม่อยู่ตามลำพังพุโทโธพุโทโธในจิตในใจให้สติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนั่นแหละล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดี ท, ทั้งนั้นแหละนี่แหละการสั่งสมคุณงามความดีนำความสุขมาสู่จิตสู่ใจของพวกเราต่อนนไปพระสงฆ์มโมทนาให้พรนะเจนนะา